จะได้อ่านข่าวชิ้นหนึ่งน่าสนใจดีนะมันเป็นผลการวิจัยนะว่าการฝึกสติเนี่ยมันมีผลดีกับเด็กอย่างไรบ้างนะก็ทำที่ประเทศแคนาดานะกับนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ฝรั่งนี่เวลาเข า, าจะ ศึกษาเรื่องไรานี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญการทําวิจัยด้วยมีการทดลองเปรียบเทียบอย่างเช่นเขาอยากจะรู้ว่าเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันมีผลดีกับเด็กอย่างไรบ้างเพราะว่าบางคนก็มองสติการเจริญสติมันเป็นเรื่องของศาสนานะแต่ฝรั่งก็เริ่มสนใจเรื่องการเจริญสติมากขึ้น แล้วก็มีการวิจัยมากมายที่พบว่าการเจริญสตินี่มันมีประโยชน์มากมายเช่นช่วยลดความเครียดช่วยเยียวยารักษาโรคภัยนะมีแผลผ่าตัดนะใช้การเจริญสติก็ช่วยลดความเจ็บความปวดทำให้ใช้ยาระงับปวดน้อยลงอันนี้ก็มีคนสนใจว่าการเจริญสติมันจะมีผลดีกับเด็กอย่างไรบ้าง เด็กนักเรียนนะเขาก็แบ่งเป็นนักเรียนเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มแรกนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนะวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ตามปกติเพราะว่าโรงเรียนเขามีสอนแบบนี้ไว้แล้วก็คงมีการพาเด็กออกไปทํากิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ส่วนรวมเช่นจิตอาสาแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเขาก็ให้มาเข้าคอร์สพิเศษนะคือการเจริญสติมีการฝึกสติหลายแบบนะฝึกสติในระหว่างที่ดมกลิ่นนะฝึกสติในขณะที่กินอาหารรับรสชาติอาหารนะ แล้วก็ฝึกสติการลมหายใจกินอาหารก็มีสตนะิขณะที่ดมกลิ่นดอกไม้ก็มีสติรับรู้นะแล้วก็ตามลมหายใจเขาก็ทําแค่วันละสามนาทีนะทำามครั้งเช้ากางวันเย็นแค่สมนาทีตามลมหายใจแล้วก็ให้เด็กเนี่ยฝึกมองจากมุมของคนอื่นน่าสนใจเลยเขาบอกว่านี่ก็เป็นการเจริญสติแบบหนึ่งนะ คือการที่จะมองเรื่องใดก็ตามจากมุมของคนอื่นบ้างนะไม่ใช่มองจากมุมของเราแล้วก็มีการสอนให้เด็กมีความกตัญญูรู้คุณกับสิ่งต่างๆรวมทั้งการไปทำจิตอาสาด้วยก็พูดง่ายคือเป็นโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรมนะจะริยธรรมนะผู้ภาษาบ้านเรานะมีทั้งการฝึกสติ ฝึกจิตแล้วก็มีทั้งการาไปเป็นจิตอาสาแล้วก็พบว่าเด็กกลุ่มที่สองเนี่ยมันมีภาษาสมัยใหม่เขาเรียกผลสำลิดนะดีกว่าเด็กกลุ่มแรกที่เขาตื่นเต้นกันมากคือว่าเวลาทําคณิตศาสตร์เนี่ยผลคณิตศาสตร์เนี่ยมันดีกว่า คะแนนสูงกว่านะเขาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะฝรัง่งนี่ชอบทำไรเนี่ยต้องมีตัวเลขยืนยันทำคะแนนคณิตศาสตร์เนี่ยสูงกว่ากลุ่มแรกเนี่ยสิบห้าเอร์เซ็นแล้วก็มีพฤติกรรมดีนะมีมารยาทมีความเอื้อเฟื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะยี่สิบสี่เปอร์เซนต์มีความก้าวร้อน้อยลงยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีเรียกว่ามี การโอภาปาศัยนะมากขึ้นดีกว่าเดิมนียี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ผลการวิจัยนี้ก็ทำให้เขาเขาตื่นเต้นกันมากนะเพราะว่าก็รู้มาก่อนแล้วว่าการทำเจริญสติเนี่ยมันทำให้เครียดน้อยลงนะใจเย็นมากขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันทำให้ผลการเรียนนะดีขึ้นนะ แล้วก็เพราะว่าเด็กนะก็มีความสุขมากขึ้นด้วยมาเที่ยบอีกกลุ่มหนึ่งพูดง่ายคือว่าเด็กเนี่ยก็เก่งด้วยนะดีด้วยแล้วก็มีสุขด้วยอันนี้คาว่าเก่งดีมีสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้กำกับ น, นานในเมืองไทยนะโรงเรียนหรือการศึกษาต้องทำให้เด็กเก่งดีมีสุขแต่ว่าในเมืองไทยนี่เด็กความรู้ด้อยลง ตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อนะวันก่อนเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเด็กนักศึกษาราชพัฒนนะนักศึกษานะไปเปิดพระเจ้านัทุกรมหาคำว่าอะไรรู้ไหมหาคำว่า A.R.E. A.R.E. มันแปลว่าเป็นนนะคำว่า a า e เนี่ยวเนี่ยนะเด็กป .1 เนี่ยควรจะรู้แล้วมันคืออะไรนะสมัยเด็กตอนมาอยู่ป .1 ก็รู้แล้วแอม am was r นี่หรือ were นี่มันคืออะไรแต่เด็กนี่นะมัธยเด็กรักศึกษารัชพัฒนนะไม่บอกหมายเท่าไรเปิดพรายามทุกคนหาคำว่า r นะอย่างดีนะที่อุตสาห์เปิดนะแต่ว่าแสาความรู้ภาษากฤจต่ำมากเทียบเท่ากับเด็กชั้นป .1 นนได้เลยนะ อันนี้ไม่เก่งแล้วก็ไม่ดีด้วยนะมีการโกงมีการคอร์รัปชันกันมีความก้าวร้าวมีอะไรขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะ ก, กันตบตีกันแล้วก็ไม่มีความสุขนะไม่มีความสุขเครียดการเรียนก็เรียกว่าล้มเหลวนะแต่ว่าเขาพบว่าเนี่ยอย่างฝรั่งนี้ในคนาดาเ น, นี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยเด็กประถมเนี่ยป .4 ป .5 เนี่ยพอได้เข้าคอร์สเนี่ยที่ว่าเนี่ยสี่เดือนนะสี่เดือน เด็กมีความเปลี่ยนแปลงนะด้านการเรียนนะทำคะแนนได้ดีขึ้นก็คงเพราะมีสมาธิแล้วก็อาจจะมีความยับยั้งชั่งใจด้วยก็คือว่ามันมีกิเลสมาอา ย, ยุนะก็ไม่คล้อยตามง่ายๆเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งยั่วยุนักเรียนมากนักศึกษาด้วยเพื่อตอมาสอนเป็นนักศึกษาแพทย์นะสอนสอนนักศึกษาแพทย์เป็นครูแพทย์บอกว่า เวลาเลคเชอร์เนี่ยนักเรียนครึ่งหนึ่งเนี่ยก้มหน้าเลยนะไม่ได้ก้มหน้าจดนะก้มหน้าเล่นไลน์เล่นเกมออนไลน์นะไม่ฟังนะไม่ฟังครูสอนเล่นเกมอันนี้เรียกว่าพ่แพ้ต่อสิ่งยั่วยุนะก็ถือว่าขาดสติในอีกแบบหนึง่งแต่ว่านักเรียนที่เขาเขาชวนมาทาการทดลองนี่ อาการเรียนดีขึ้นแล้วก็มารยาทแล้วรวมทั้งพฤติกรรมนะเขาใช้ว่าโปรโซเชียลโปรโซเชียลหมายความว่า so มีความเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมดีขึ้นพฤติกรรมทางสังคมมีความก้าวร้อนน้อยลงแล้วก็มีความเครียดเครียดน้อยลงด้วยก็เรียกว่าครบชุดนะเก่เงดีแล้วก็มีสุข ที่น่าสนใจคือเขาเจริญเขาสอนเด็กเจริญสติเนี่ง่ายๆนะให้มีสติการกิ น, นมีสติเวลาดมกลิ่นนะไม่ปล่อยใจลอยให้มีสติรับรู้อยู่กับกลิ่นที่สัมผัสแล้วก็ฝึกตามลมหายใจนี่แค่วันละสามนาทีนะไอ้ครั้งละสามนาทีนะไม่ได้มากเลยนะครั้งละสามนาทีแล้วก็วันหนึ่งสามครั้งเช้ากับวันเย็น มันก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับเด็กมากทีเดียวบางทีเราไปสอนเด็กให้นั่งสมาธิสิบนาทียี่สิบนาทีนะเด็กนั่งไม่ได้นะแต่พอหมอให้นั่งสามนาทีนี้เด็กนั่งได้แล้วคิดว่าคงแรกๆรกแร ก, แรกๆกคงจะไม่มีสมาธินะแต่พอทำไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนมันกลายเป็นเรื่องธรรมดามันก็น่าคิดนะแค่ ทำสมาธิวันละสามครั้งครั้งละ3ามนาทีเนี่ยมันก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าเป็นเป็นแนวทางนะแบบยาให้กับพ่อแม่หรือครูนี่ลองไปทำการทดลองดูเอาไปใช้กับเด็กดูน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพอ